มาลองทำความเข้าใจกับพระสูตรต่างๆที่อยู่ในหนังสือมักวิธีที่ง่ายนะเพื่อเราจะได้ได้เข้าใจ ลองดูในในหน้าหน้าที่แปดนะดูหน้าต้นๆก่อนก็ได้ในหน้าที่แปดเนี่ยพระศาสดาบอกว่าบอกวิสุท์ทั้งหลายคูดค่ดคู่นี่หมายถึงกุจจะ แม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดบอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันนะแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ พบก็คือสถานที่เกิดนั่นเองเอที่จิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์เนี่ยคือจิตไปสร้างพบสร้างสถานที่เกิดอย่างี้ถ้าพระศาสดาก็จะเปรียบเหมือนเหมือนผืนนา รัศดาบอกว่าวิญญาณเนี่ยเปรือบเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผืนนาเป็นที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชในการที่จะงอกขึ้นมาถ้าเมล็ดพืชงอกมาแล้วเนี่ยเรียกว่าชาติคือการเกิดการเกิดเนี่ยมีได้จากการตั้งอาศัยบนผืนนาผืนนาจึงถูกเรียกว่าพบในผืนนาเนี่ยจะโยงไปอีกพืชหนึ่งผืนนาเนี่ยคือตัวสี่ธาตุคือตัวรูปคือร่างกายเรา แล้วก็เวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยๆนะแล้วก็สัญญาความจําได้ไหมายรู้แล้วก็สังขารความปรุงแต่งนะเราคิดปรุงแต่งไปในอนาคตอย่างนี้นั้นนี่คือ4ี่ธาตุที่วิญญาณขันเนี่ยจะวนเข้าไปรับรู้หรือเรียกว่าเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปเกิดฉะนั้นผู้เจ้าก็จะหมายถึงว่าสิ่งที่เรียกกันว่าพบคือสถานที่เกิดเนี่ยแม้นิดเดียวแม้มีประมาณน้อย ชั่วรัตนิมือเดียวคือระยะเวลาของการเกิดแต่มีแค่เวลานิดเดียวเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนมูดคูดนะอุจจาระปัสสาวะจะมีพสูตรที่เปรียบด้วยน้ำลายหนองด้วยสเลดโลหิตนะด้วยปัสสาวะเปื้อนเหลานิดเดียวก็ต้องรีบล้างรีบเช็ดออกนะนั้นสถานที่เกิดเนี่ยผู้เจ้าบอก ถึงแม้จะมีช่วงเวลานิดเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีประโยชน์เลยที่บอกไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันกําลังนําเราไปสู่แก่และตายนะเพราะการเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้นําไปสู่ชรามรณะการเกิดจะมีได้เพราะมีสถานที่เกิดคือการเกิดคือการงอกจะมีได้เพราะว่ามีสถานที่เกิดคือผืนนา นั้นตัวธาตุเนี่ยต้องมีก่อนจิตเมื่อเข้าไปรู้ตัวธาตุคือมีพบแล้วจเจริญ ง, งอกงามไพ่บูรในชาติเนี่ยคือรู้ตามอารมณ์นี้ต่อไปก็เรียกว่าชาติและจะจบด้วยชลาหมอนนะเพนะราะฉะนั้นสถานที่เกิดแม้ชั่วขณะนิดเดียดเนี่ยก็น่าลังเกียจจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เจ้าเนี่ยให้รักความเพลินในอารมณ์อยู่เรื่อยๆนะอย่างนี้ควเข้าใจนะ อันนี้พอพิสูตรต่อไปหน้าที่เก้าเนี่บอกิสูจน์ทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นการเข้าไปหาก็คือการที่จิตเนี่ยเข้าไปหาอารมณ์นั้นจิตเดิมเนี่ยเราอยู่เฉยๆนะแต่พอมันเข้าไปสู่อารมณ์เช่นไปคิดเรื่องอดีตอนาคตก็ตามไปสุขทุกข์ก็ตามนั่นน่ะแสดงว่ามันไปสร้างภพไง แล้วเราจะหลุดพ้นไม่ได้เพราะมันมีสถานที่เกิดแล้วพู้เจ้าจึงบอกการที่จิตเข้าไปหาเนี่ยมันจะไม่หลุดพ้นแต่ถ้าจิตไม่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยจะเกิดการหลุดพ้นจากความตายท่ น, น, นี้จิตมันต้องเข้าไปเข้าไปหาอารมณ์จากสีทธาตุพ้เจ้าจึงทำยังไงจะให้มันเข้าไปหาอารมณ์น้อยที่สุดจึงให้จิตเนี่ยเข้าไปหาอารมณ์อันเดียวคือรูป นั้นศาสดาจึงบอกให้เราเนี่ยเอาจิตมาตั้งอยู่กับรูปคือกายนี้แล้วก็ทิ้งสามอารมณ์ที่เหลือคือเมื่อไปคิดอดีตคิดอนาคตหรือไปสุขทุกเนี่ยให้รีบทิ้งให้ไหวนะเพื่อให้เหลือการเกิดที่เดียวอย่างนี้พพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเศกก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญได้ตัววิญญาณเนี่ยมันเข้าถือเอารูปตั้งอาศัยได้นะในนี้ก็เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นเข้าถือเอาเวทนาสัญญานะสังขารวิญญาณนะอ่าสังขารไม่มีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นคนเข้าไปตั้งอาศัยใน4ี่ธาตุนั้นวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ จะเป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์บ้างเวทนาเป็นอารมณ์บ้างสัญญาเป็นอารมณ์บ้างสังขารเป็นอารมณ์บ้างอย่างนี้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่คือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพมันอยู่ได้เพราะความเพลินเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์นั้นและพระศาสดาก็บอกว่าผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไป ใครจะบัญญัติว่าวิญญาณเนี่ยมาไปนะการจุติคือตายการอุบัติคือเกิดตายและเกิดความเจริญงอกงามความภัยบูรณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นั่นก็คือวิญญาณหรือจิตของเราเนี่ยจะเว้นจากสี่ธาตุนี้ไม่ได้มันจะเข้าไปตั้งอาศัยอยู่เสมอ นะไม่ขันใดก็ขันหนึ่งแล้วใครจะบอกวิญญาณเนี่ยอยู่เดียวๆ เ, เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นั้นจิตเราผู้รู้เนี่ยเมื่อรู้อะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสี่ท่านนี้เกิดขึ้นเสมอเลยนะเช่นถ้าเราไม่รู้กายก็จะไปสุขทุกข์หรือไปคิดอดีตไปคิดอนาคตนีเนี่ยมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือพระเจ้ากําลังอธิบายระบบการทํางานของจิต ด้วยการที่ท่านเนี่ยเข้าไปนั่งสังเกตยอย่างนั่งสมาธิเราก็สังเกตอย่างเนี่ยมันไปทาํางานยังไงปับป๊บปับปบ๊เรียนรู้กระบวนการทํางานของจิตกะรูปนามจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็บอกว่าอ๋อธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเราผู้ที่เข้าไปสังเกตการทํางานของมันเนี่ยเรากับมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันนั้นพอใครเข้าไปสังเกตตรงนี้นา น, า น, า น, านานเข้านานเข้าต่อไปเนี่ยจะเข้าถึงความไม่ตายได้ เพราะเราจะรู้จักว่าสิ่งที่กำลังสังเกตสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันและขณะที่ขันท่าเนี่ยมันดับไปเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยไม่ได้ดับไปด้วยเวลาโยมเห็นสุขดับไปปั๊บเนี่ยเราเห็นสุขดับแต่เราไม่ได้ดับไปตามสุขแสดงว่าเรามีอยู่จากนั้นเนี่ยค่อยๆพยายามเห็นทุกขันว่ามันกำลังเกิดดับเกิดดับเราจะสังเกตเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ดับไปตามมัน นั้นถ้าเราสังเกตจนทั้งเห็นว่าวิญญาณเกิดดับปั๊บเนี่ยเราจะเข้าถึงวิมุตตันทีนะูเจ้าก็เลยสรุปต่อว่าถ้าราคาในรูปธปาตุราคาคือความพอใจถ้าความพอใจในรูปธปาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิสุร่ได้แล้วเพราะละ ราคาคือความพอใจได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีนั้นวิญญาณเนี่ยที่มันเข้าไปอาศัยในสี่ธาตุได้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปสร้างความพอใจเองถ้าเราละความพอใจได้เนี่ยอารมณ์ที่วิญญาณจะเข้าไปเกาะก็ไม่มีอย่างถ้าโยมอยู่กับลมหายใจแล้วโยม พอใจแค่ลมหายใจเนี่ยแต่วางความพอใจในธาตุอื่นทั้งหมดวิญญาณมันจะไม่เข้าไปตั้งอาศัยในธาตุอื่นมันจะอยู่แต่กับลมหายใจนั้นโยมต้องสร้างความพอใจในอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจแล้ววางความพอใจอารมณ์อื่นออกไปให้หมดนะวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่หลุดพ้นไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง เพะหลุดพ้นไปก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมป ร, รินิพานเฉพาะตนนั่นนั่นก็คือเราสามารถที่จะปลินิพานขึ้นเข้าถึงนิพานได้ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วชาติแปลว่าการเกิดเราจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยที่ไปเกิดเนี่ยจบละนัะ่นพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์คือมรรคแปดเนี่ย ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาจิตเนี่ยเราได้ทำจบละกิจที่ควรทำได้ทาสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้คือกิจที่ควรทำคือการหลุดพ้นเนี่ยได้ทำได้ทาเสร็จละกิจอื่นภารกิจอื่นๆที่จะต้องทำเพื่อให้ได้ความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วนี่ความในพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้ พระสูตรนี้ก็จัดว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญมากเป็นการอธิบายนะ <c oughs> การทำงานของจิตกับรูปนามเนี่ยจนกระทั่งหลุดพ้นเลยนะทีนี้เราลองดูหน้าสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะ ตรงนี้จะเป็นการอธิบายอีกมุมหนึ่งเมื่อวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์เนี่ยมันเมื่อพบเกิดแล้วเกิดชาตินั่นคือเรียกว่าเพลินเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ปุ๊บแล้วยอมรู้อารมณ์ต่อไปปุ๊บเนี่เรียกว่าเพลินละรูปอันจะเห็นได้ด้วยตาเนย เป็นรูปที่น่ารักน่าใคล้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้ า, าว่าพิสูจเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนั้นเนี่ยนันที่ย่อมเกิดขึ้นนะเรียกว่ามีนันที่เกิดละนั้นใครก็ตามเพลินในรูปเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นนั่นเรียกว่าเรากําลังเพลินละเมื่อนันที่มีอยู่สาราคะย่อมมีสารราคะแปลว่าความพอใจอย่างยิ่ง ถ้าเราเพลินกับอารมณ์ใดแสดงแสดงว่าเราพอใจอารมณ์นั้นเมื่อสาระค่ามีอยู่สัญญคะย่อมมีขณะที่เราเพลินกับอารมณ์นั้นเนี่ยเรียกว่าจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินนั้นเมื่ อ, อ, อจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วก็รู้ต่อไปเรียกว่าจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์นั้น ผู้เจ้าจึงเรียกและเรียกว่าเรามีเพื่อนสองเรามีอารมณ์เนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะและมันมีเพราะตัณหานะีตัณหาเนี่ยคือเพื่อนสองของภิกษุเพราะมันนําไปสู่อารมณ์สร้างคนที่2ขึ้นมาคู่คู่กับจิตไปตลอดมีคะชาและภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์เต็นทั้งแห่งความเพลินนั่นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อน2 พระสูตรเราเนี่ยเป็นการอธิบายอาการในจิตทั้งนั้นเลยนั้นเวลาเรานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยเราจําพระสูตรพวกนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นการทํางานของจิตตรงกับที่พระเจ้าบรรยายเป๊ะเลยนะภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยกันอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสะนะอันเป็นป่าและป่าชัด ซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคลุกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวไกลคนเป็นที่ทําการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรหลีกแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วถึงตอนนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองยมจะไปอยู่ในท้องถง้ำเชื้อมผาป่าช้าป่าชัดแต่ถ้าจิตยังละอารมณ์ไม่ได้ผู้เจ้าบอกเธอยังมีเพื่อนอยู่ ไม่ใช่อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะ <c oughs> และในยะตรงข้ามถ้าเราไม่เพลินกับอารมณ์เนี่ยผู้เจ้าเรียกเราอยู่ผู้เดียวละถึงเราจะอยู่เกลินกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีบาโสอุบาสิกาพระราชามหมามัดนะเราอยู่ในสังคมในโรงงานในตลาดนะแต่ถ้าเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวรู้ลมเข้าวเรอ อ, อาง้เราอยู่ผู้เดียว นั้นวิธีการอยู่ผู้เดียวง่ายๆก็คือทําจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราแล้วเรากำลังได้ความหลุดพ้นขึ้นมาเลยไปถึงหน้าสิบเก้าละนันทิก็สามารถสิ้นทุกข์ได้เลย พระสูตรนี้ก็สั้นๆง่ายๆดีถ้าใครจะสวดมนต์ก็สวดพระสูตรนี้ก็ได้อาตมาก็ท่องพระสูตรนี้เหมือนกั น, นบอกสัมมาสัมมาปสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายถ้าเราเห็นธรรมชาติอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมา นันทิขยาราคะยโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ น, ทนันทิคือความเพลินขยาก็คือความเสื่อมนันทิขยาราคะยโย ก, ก็คือราคะยโย ก, ก็คือเสื่อมเหมือนกันก็คือจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะถ้าละเพลินได้ก็จะละความพอใจได้ราคะคือพอใจราคขยานันทิคายโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ ถ้าล่าพอใจได้ก็จะไม่เพลินเหมือนกันนันทิราคัคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นแปลงนันทิและร า, าคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแค่ละนันทิได้เนี่ยจิตหลุดพ้นเลยนั้นถ้าเราจับมัจวิธีนี้ทีเดียวละความเพลินเรื่อยละความเพลินละความเพลินนะเราสามารถมีจิตหลุดพ้นได้ นี่เป็นวิธีเอาชนะความตายแบบง่ายๆเป็นมรรควิธีที่ง่ายที่พระเจ้าบอกสอนบ่อยมากในหน้า21ความดับไม่เหลือของทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินก็ตอกย้ำอีกเหมือนกันว่า ทุกทั้งปวงเนี่ยดับได้เพราะละความเพลินแต่ให้แทรกเข้าไปในทุกอายตนะเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจลองมาดูหน้า27ผ <c oughs> ู้เจ้าให้ใช้กายเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต เรื่องนี้อาตมาก็จะพูดบ่อยเหมือนกันนะพระพุทเจ้าเนี่ยเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างมากเปลี่ยมเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดอันมีที่อยู่ที่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกเหนีอยวอันมั่นคงเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจับปลิงแล้วนาไปผูกไว้กับเสาเขืนหรือเสาลังอีกตอนหนึ่ง คังนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยที่เที่ยวต่างๆกันก็ยืดยุดจุดกันไปเข้าสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจร ะ, ะเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าชา้าลิงจะไปป่าในการดูแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะไปจะพึงไปยืนเจา้า น, น, นั่งเจา้านอนเจา้า อยู่ข้างเสาเขืนหรือเสาหลักนั่นเองนะเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันจะดึงไปดึงไปดึงไปเพราะนั้นเวลาจิตมันออกไปเคลื่อนออกจากลมหายใจไปเราต้องรีบลากความเผยอเล่ากลับมาที่เสาเขืน่นเสาหลักคือกายนี้นะถ้าเราอบรมกระทําให้มากในกายยคตาสติคือถ้าเราดึงจิตกลับมาที่กายแล้วเนี่ย แล้วศาสดาบอกตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอั น, อนขยักขยงงั้นอารมณ์พอใจไม่พอใจในโลกจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราตั้งไว้ซึ่งกายยากตาสติหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันโรงจึงสรุปว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำนีกใจว่า กายคตาสติของเราจากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นญาณเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ําเสมอด้วยดีดังนี้คงนะจึงให้เราจเจริญอนาปานสติให้มากนะเนี่ยนะคำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ก็ ดูก็อ่านรู้เรื่องอยู่เนาะเพราะงทีเราจะส่วนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวิชนาก็คิดว่าผู้เจ้าจะพูดแบบไม่รู้เรื่องสมตินะในหน้าต่อไปตัวกระดองของบรรพชิตก็ก็เป็นเรื่องที่สนุกอีกเรื่องหนึ่ง ผู้เจ้าก็จะให้เราเนี่ยมีจิตตั้งอยู่กับกายนะหลักเดียวกันเลยเจพระนักแต่ละพระสูตรเนี่ยจะสอดรับสอดรับสอดรับกันหมดคือให้สํารวมสำรวมจิตอยู่กับกายอันนี้พระองค์จะยกอุ ป, ปมาว่าเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลาธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลาธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินมาแต่ไกล ครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีสีสันเป็นที่5เข้าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็เช่นนะ่ะก็ได้เห็นเต่าที่เที่ยวหาคินนั้นแต่กลายเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอเต่าจากโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออก ในบรรดาอาวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วจะ ก, กัดอวัยวะส่วนนั้นคล้าออกมากินเสียดังนี้ปิษูตั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองนั้นถ้าเราสำรวม อินทรีย์คือสำมรวมใจอยู่กายเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าความตายจะทำอันตรายเราไม่ได้เราจะหลุดพ้นจากความตายนะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็โยมที่มาวัดเรื่อยๆก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งก็ไปงานเขาก็ดูดูคนที่นั่งใต้ศาลาก็นับวันก็หายไปเียกคนสองคน แล้วก็เมื่อวานก็มีคณะหนึ่งก็ก็ติดต่อมาก่อนสองสมวันว่าจะมาฟังธรรมพอวันที่มาฟังธรรมเมื่อวานเขาบอกหัวหน้าคณะเพิ่งตายไปเมื่อคืนโอ้โหแหม่แหม่ยัเไยได้ทำบุญอยูที่ส่วนกุศลกันไปให้นะอืม ตอกเรื่งความตายนี่แม่มันรวดเร็วเนะี่ยมันไม่แน่นอนนะก็เลยอย่างน้อยให้พวกเรามีวิธีป้องกันเอาไว้นะในช่วงนี้มีใครจะซักถามอะไรบ้างไหมอ่า อ่าอันเดียวกันตัวเดียวกันคือวิญญาณนี่มันจะมีมากเปรียบเหมือนฝนตกลงในมหาสมุทรนะโยมแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยนั่นอะวิญญาณมหาศาลเลยเต็มไปหมดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดท่นี้ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยนะจะไปเกาะไปยึดวิญญาณดวงใดแค่นั้น นั้นขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตฟองน้ํามันก็ไม่ใช่ชีวิตนะแต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันทําให้มันเนี่ยเข้ามายึดติดในขันทั้งห้ามันก็เข้ามายึดวิญญาณเป็นตัวมันแล้วเมื่อวิญญาณเนี่ยไปรู้ธาตุใดในสี่ธาตุก็เป็นตัวมันของมันไปด้วยพร้อมๆกันนะวันขนาดที่มันมีอวิชชาเนี่ยวิญญาณคือตัวมันเลยนะมันสวมเลย ไปไหนไปด้วยกันตลอดเหมือนเรามีเงาเดินไปไหนเงาไปด้วยตลอดอย่างนี้เพะฉะนั้นสิ่งสิ่งเนี้ยที่มาหลงเนี่ยไม่ใช่จิตจิตมโนวิญญาณคือหนึ่งในขันห้านี้แต่สิ่งเนี้ยผู้เจ้าจะเรียกตัณหาเรียกผู้มีอ ว, วิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรนั้นวิญญาณเนี้ยไม่ได้ท่องเที่ยวไป แต่คนท่องเที่ยวไปคือผู้มียวิชาเป็นเครื่องกันและไอ้ผู้เดิมนี่แหละถ้ามันปฏิบัติมรัก8จนมีวิชาแล้วอวิชาจะหายไปตัวผู้เดิมนี่จะถูกเรียกว่าวิมุตติอันทสนะเป็นผู้รู้ในวิมุตติซึ่งตัวเนี้ยไอ้ตัวผู้หลงเนี้ยมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่เราเข้าใจผิดไปคิดว่าจิตมโนวิ ญ, ญญาณเป็นของเรารูปเวทนาสัญญาสังการเป็นของเรา ก็เลยต้องมาแก้ความเข้าใจผิดทำความเข้าใจกันใหม่นะคิดดูสิมันเข้าใจผิดมายาวแล้วเนี่ยแล้วเราก็เหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างเรื่อยๆนะชาตินี้ดีหน่อยได้รูปร่างเป็นมนุษย์ชาติหน้ายังไม่แน่จะได้รูปร่างเป็นอะไรนะแล้วผู้เจ้าบอกมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้นนอยมาก เปรียบเหมือนเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนพระศาสดาเอาเล็บเนี่ยเขี่ยวเศษดินขึ้นมานิดนึงบอกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินมหาปฐพีไหนมากกว่ากันส า, าวกก็บอกมหาปฐพีมากกว่าบอกเนี่ยมนุษย์ที่ตายแล้วเรากลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บโอ้แสดงว่าคนในโลกเนี่ยตายแล้วมันไปไหนกันก็ไม่รู้นะไปทุกทิศทุกทางเลยบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ผูเจ้าจะเปรียบอย่างนี้ <c oughs> เปรียบเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงนะนั้นโอกาสที่โยมจะได้กลับเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเทนะ่าเศษดินที่ปลายเล็บนั่นคือโยมก็ไปนรกบ้างเปรตวิสัยบ้างนะไปเทวดาบ้างที่ปาถฐานะก็ท่องเที่ยวไป นานๆจะวนกลับมาเป็นมนุษย์ทีหนึ่งนานแค่ไหนก็คือนานขนาดที่ผู้เจ้าประมาน้ําท่วมโลกทั้งใบ <c oughs> <c oughs> บีบรุดคนหนึ่งยนตนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวบโอ้โหยากมากไอเต่าก็ตัวนิดเดียวตาบ อ, อดอีกแล้วน้ําก็ มใหญ่เท่าผืนโลกเนี่ยความนานในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัตกว่าจะได้วนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยนะเพราะนั้นก่อนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราวนไปอยู่ที่ไหนก็ยาวนานมากนะนี่พระเจ้าจะเห็นตรงนี้ไงก็เลยบอกว่าพยายามให้แต่โสดาบันให้ได้เพราะถ้าแต่โสดาบันไม่ได้เนี่ยคติที่ไปเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน โสดาบันเท่านั้นที่ประกันความแน่นอนว่าจะไม่ไปอบายอีกอย่างน้อยก็แค่ว่าป้องกันเราให้พ้นจากอบายนะก็จะเกิดอีกไม่เกินเจดชาติจะได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้นั่นก็คือเราต้องพยายามทําศีลห้าให้บริบูรณ์แล้วก็ต้องไม่หวั่นไหวพระรัตนตรยัยว่าเชื่อมั่นว่าไอ้ที่พระเจ้าสอนเนี่ยหนทางเนี่ยถูกต้องที่สุดหลุดพ้นได้แน่นอนนะ แค่สงสัยมุมอื่นอีกสังสารวัฏยาวไกลที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเวลาเกิดแล้วเนี่ยมันต้องเจ็บไงถ้าเกิดแล้วไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาพู้เจ้าก็จะไม่คิดหาหนทางออกจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็ไม่มีใครประกันเรื่องความเจ็บความป่วยได้นะเราลองมาดูหน้า4ี่ิด้ วิธีการเจริญ น, นาปาก็คือหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้แค่เราใจมารู้อยู่กับลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกพอแล้วแค่นี้นะ <c oughs> แล้วจิตจะค่อยๆเดินไปตามเหตุปัจจัยของมัน นันถ้าใครต้องการเจริญอาณาปานสิก็ดูในหน้า 40-41 ไปเรื่อยๆได้นะว่าลักษณะการเจริญอาณาปานให้ทำอย่างนี้นี่คือลักษณะมัควิธีพู้เจ้าจะมีการลงรายละเอียดไว้ว่าวิธีนี้ทำอย่างไง เรามาดูอีกวิธีหนึ่งในหน้า54ิบปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน ถ้าเราพินาเห็นตาว่าเป็นของไม่เที่ยงรูปทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณทางตาเป็นของไม่เที่ยงสัมผัสทางตาเป็นของไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาจะสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเป็นเหตุเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ทำอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนะนี่เป็นวิธีที่ง่ายอีกการหนึ่ง อีกในยะหนึ่งก็เหมือนๆกันแต่เป็นมุมของการเห็นความเป็นทุกข์คือดับไปอันแรกเนี่ยเห็นไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนอันนี้ก็เห็นตาเห็นรูปวิญญาณทางตาสัมผัสทางตาเวทนาทั้งหมดเนี่ยว่ามันเดินไปสู่ความดับในยะต่อมาคือเห็นว่ามันเป็นอนัตตา ในยะต่อมาก็จะเห็นในเรื่องของเนตังมะมะนสโสมะสมิทนาเมโสวตา นี่ตมามาดูก็รู้สึกว่าเขาเน้นเน้นไปผิดตัวนิดหนึ่งนะ <c oughs> อย่างถ้าโยมไปดูไปดูในหน้าที่60สเนี่ยพุทธเจ้าบอกถ้าเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่มมีความแปลปนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตราของเราคือเอตังนี่คือเห็นแบบยึด ว่านั่นของเรานั่นเป็นเราเอโสหมัสมิเอโสม เ, อโเมอตตาแต่จริงๆผู้เจ้าให้เห็นเนตังมะมะเนคือไม้น่ะนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตวนของเราแต่กลายเป็นมันไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะเพราะสูตรเต็ ม, มน่ยมันถูกถูกตัดออกไปใช่ใช่เขาย่อแล้วไปย่อย่อใจความสัมพันธ์หายไปนะ นั้นจริงๆตรงนี้จะต้องเป็นพระ ส, สูตรต่อมาที่ฝังเนี่ยเขาจะต้องใส่เนื้อหาพระ ส, สูตรที่ผู้เจ้าจะต้องบอกว่าเนตังมะมะเนโสมาสมิณะเมโสวัตตาอยู่ด้วยนะถึงจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ โสมาร์กเช็คจากบาลีสามรัดตัวตัวเต็มแล้วปรากฏว่าอันนี้เป็นอีกพระ ส, สูตรหนึ่งน่อนะอาตม า, าจำศัพท์กันเองว่เพราะมันจะมีอีกพระ ส, สูตรหนึ่งเมื่อบอกเอตังมะมะแล้วเนี่ยมันจะไปบอกเนตังมะมะคู่กันแล้วก็บอกเบือนนายแต่ในพระ ส, สูตรนี้ก็คื อ, อจะเน้นไปที่ <c oughs> จะเน้นไปที่ความไม่เที่ยงนะเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วเนี่ย ก็จะมองว่าอันนี้ไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเพราะมันแปลเปลี่ยนสิ่งได้เปลี่ยนได้เนี่ยควรแล้วหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเหมือนเหมือนโยมบอกว่าจิตของเราอย่างเนี้ยจิตเป็นของเราแต่เราบอกเราสั่งจิตให้อยู่กับลมไม่ได้พออยู่กับลมปุ๊บมันไปครูเจ้าบอกอ่ะถ้ามันไม่เที่ยงก็แสดงมันไม่ใช่เรา อ, อย่างเนี้ยเป็นอุบายอย่างเนี้ยอ่าเช่น อฮะอาาก็มันได้ได้ทั้งสองกรณีขณะที่โยมนั่งเฝ้าดูลมเฉยๆแล้วจิตมันเปลี่ยนเนี่ยถามว่ายอมก็ยังไม่ได้พิหนาอะไรแต่มันเปลี่ยนไปแล้วแค่โยมรู้ว่ามันเปลี่ยนเนี่ยก็ถืากับว่ายมได้ใคร่ครวรละบางทีจิตมันเปลี่ยนปั๊บโยมก็ได้จะดึงกลับมาแต่โยมไม่ได้ใค ร, คร่ครวญนะ ที่ดึงกลับมาเพราะอะไรก็เพราะมันเปลี่ยนแค่นี้ยมันเป็นมุมบางๆในจิตนิดเดียวเพราะฉะนั้นบางคนก็ก็เลยบอกว่าขณะรู้ลมหายใจโอ้เป็นแค่สมถะคือให้จิตนิ่งอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาอะไรทั้งๆที่มุมในการเกิดปัญญาเนี่ยมีอยู่คาตาเขาเลยแต่เขาจะไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นด้วยด้วยมุมที่ไม่ต้องใช้การคิดพิจารณาอะไรเลยก็ได้ก็แค่เห็นว่ามันหลุดไปแล้วแลวเรากลับมาปั๊บ ขณะที่หลุดก็คือหายไปดับกลับมาอีกทีก็คือเกิดเราจะเห็นเกิดดับทันทีเลยเราเห็นว่าจิตเนี่ยไม่อยู่คงที่เปลี่ยนเนี่ยแค่นี้ก็ได้ละ <c oughs> นี่นี่ก็ถือเป็นการพิจารณาอย่างหนึ่งแล้ะแต่มันไม่ต้องใช้การคิดอะไร เ, เหมือนกระยมเฝ้าดูเฉยๆว่ามันมันมีการมากันไปอย่างนี้น อ่าก็จะไม่เห็นนะผู้เจ้าบอกคนจเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นการเกิดดับเหมือนกันเพราะมันมันเร็วเวลามันเปลี่ยนและบางทีเราเรานึกไปไม่ถึงว่านี่คือมุมที่ควรจะสังเกตอย่างไง้ผู้เจ้าก็จะเปรียบเหมือนเหมือนพ่อครัวที่ทำอาหารให้กับพระราชามหมามัดแล้วไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อย ก็เลยเลยทำอาหารไม่ถูกแบบว่าคุณจะทําอาหารอะไรให้พระราชาทานก็เลยไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาแต่พ่อคุยคนเนี่ยทำอาหารให้พระราชาแล้วสังเกตว่าวันนี้พระราชากินหวานมากเค็มน้อยเปรี้ยวมากนะวันต่อไปก็ทําอย่างนั้นตามที่พระราชาชอบก็จะได้รับรางวัลจากพระราชาต้องมีการสังเกต จิตที่มาสังเกตคือจิตที่เกิดขึ้นอีกดวงตามมาใช่ไหมจริงๆก็เป็นวิญญาณขันอันเดียวกันแต่เป็นวิญญาณขันคนละดวงนะเพราะเมื่อมันไปแล้วเนี่ยขนาด ท, ที่มีมามีไปนี่ก็คนละดวงกันนะขนาด ท, ที่มาพิจารณาเห็นว่าเอ้ยอันนี้มีเกิดดับก็อีกอันหนึ่งนะอย่างเงี้ยจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลย จิตตรงนี้ก็ยังเป็นจิตที่เกิดดับนะงั้นตรงนี้เป็นปัญญาแต่ที่สุดแล้วตัวนี้ยังไม่ใช่วิมุตเป็นปัญญาที่จะสอนเราไปเรื่อยๆว่าตัวมันเนี่ยก็ไม่มีปัญญาก็เกิดดับสติก็เกิดดับจิตก็เกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดเลยอย่างนี้ ลองดูในหน้า71จะเป็นการอธิบายความจริงของจิตที่คนส่วนใหญ่มองไม่ค่อยเห็นกันลองดูกลางๆหน้าเนี่ยเจ้าจะบอกความวันไหวเนี่ยย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว ถ้าความอยากอาศัยบุคคลนั้นได้แล้วเนี่ยจิตเขาจะมีความหวันไหวเกิดขึ้นแต่ความวันไหวจะไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและที่ติไม่อาศัยแล้วถ้าเขาดับตัหาได้เนี่ยจิตจะไม่วันไหวถ้าความหวันไหวไม่มีปสัสสติความอิ่มใจก็มีถ้าความอิ่มใจคือจิตตั้งมั่นเนี่ยมีความน้อมไปก็จะไม่มี การน้อมไปก็คือขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตน้อมไปสู่ลมอื่นเช่นหลุดไปคิดอดีตเนี่ยคือการน้อมไปนีนั้นถ้าจิตยังมีตันหามีความวันไหวจิตจะมีการน้อมไปและดูที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อนัตติความน้อมไปไม่มีนะการมาไปจะไม่มี นติยาอาสตินติคือน้อมไปเนี่ยไม่มีอาคติคติหน้าโหตินะก็คือการมาและการไปก็จะไม่มีในทางกลับกันถ้าจิตมีการมาการไปแสดงว่ามีตายและมีเกิดนะยมลองดูต่อไปว่า ผู้เจ้าบอกว่าเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีคือจุตูปปาโตนะจุดตูก็คือจุติคือตายปปาโตก็คืออุปาตะบวกกับอุปาตะเกิดตายและเกิดจะไม่มีอย่างนี้ นั่นแสดงว่าขนาดที่จิตเนี่ยมีการเคลื่อนไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจิตดวงนี้เนี่ยวิ่งไปหาอารมณ์อันนี้นะแต่ความจริงคือจิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดอย่างนี้จะเหมือนเหมือนแผงไฟโฆษณาที่มันวิ่งไฟมันก็ไม่ได้วิ่งแต่แสงมันไม่ได้วิ่งไปแต่แต่ดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดเราเลยมันวิ่งแฟบไปอย่างนี้ อันนี้ก็หลักการเดียวกันพิกูจนในครั้งพุทธการจึงเข้าใจผิดคิดว่าวิญญาณเนี่ยจิตเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดจิตตรงนี้วิ่งวนไปนี้จิตอันนี้วิ่งวนไปลมนี้จิตอันนี้วิ่งวนไปถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจิตก็เป็นนิจจังคือจิตไม่มีการดับจิตอยู่ตลอดเลยแล้วมันจะดับเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ความจริงเนี่ยจิตจะดับแล้วจิตดวงใหม่จะเกิดพอไปอารมณ์ใหม่จิตดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดพอไปอารมณ์ใหม่ปั๊บก็จิตดวงนี้ดับดวงนี้เกิด มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่มันเร็วมากจนเรามองไม่ออกคิดว่าเป็นจิตดวงเดิมที่วิ่งมาวิ่งไปเราก็เลยคิดว่าโอ๊ยจิตเราไปอีกแล้วดึงจิตลกลับมาอย่างนาีแต่จริงๆเวลาวกลับมาเนี่ยดวง น, น, นั้นดับไปแล้วดวงใหม่เกิดขึ้นอีกทีหนึง่งนี่คือเป็นความจริงขณะที่มีการมาการไปเกิดขึ้นพูเจ้าก็จะอธิบายจะมีตายและมีเกิด ของวิญญาณนะ <c oughs> ตัวนี้ถ้าผู้เจ้าไม่อธิบายไว้เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับเพราะตัวนี้มันเห็นยากอะมันเร็วมากความเร็วมันสูง <c oughs> เมื่อการตายและการเกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ลองดูหน้าที่74ก็หลักการคล้ายๆกันถ้าเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสรู้ธรรมอมแล้วก็สักว่าได้รู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจักไม่มีนั้นเวลาเราไปรู้่ารมอะไรปั๊บเนี่ยวางเลยปล่อยวางตลอด ทำอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยตัวตนเราจะไม่มีเลยนะก็สามารถหลุดพ้นได้เลยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะหลุดพ้นได้ง่ายงั้นเวลาสมมติเราใกล้จะเสียชีวิตปั๊บเนี่ยจิตไปรู้อะไรปั๊บเนี่ยไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจปล่อยวางตลอดอย่าเพลินอย่าเพลินอย่าไหลาเพลินอย่าไปอยากรู้ต่อเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงสามีภรรยาเป็นห่วงทรัพย์สินทิ้งหมดเลย อยู่กับลมหายใจเข้าไว้คิดมาปุ๊บอย่าอยากคิดต่อการเกิดเราจะไม่มีง่ายๆแค่นี้ถึงหน้านี้มีใครซักถามอะไรไหมอ่ะ ในระหว่างทำงานก็ให้ใช้สติอธิษฐานการงานแทนที่จะให้อยู่กับลมอ่าใช่ใช่ไปอยู่กับเรื่องงานซะอาศัยงานเนี่ยเป็นเป็นกรอบก็มันอาจจะ ก, กว้างอะ่ะแต่มันก็ยังพอได้พู้เจ้าจึงเรียกว่าเป็นอนุสติลองลงมานิดหนึ่ง ถ้ายมไปคิดนอกนอกงานเนี่ยนั่นอ่ะอันนี้ต้องทิง้งอ่าให้คิดอยู่แต่ในงานเท่านั้นแต่คนเราเนี่ยพูะเจ้าบอกว่าเมื่อคิดถึงเรื่องอะไรมากๆตรึกนานตรองนานตรองตามนานเกินไปเนี่ยจิตจะอ่อนล้ากายจะอ่อนเปลี่ยวพูะเจ้าบอกให้มาทำสมาธิ นั้นเราก็ต้องฝึกทำสมาธิเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาอีกทีนัน้นถ้าโยมทำงานมากมันจะเครียดไงเครียดก็ต้องทำใจว่างๆก็เลยต้องมีเวลาที่จะให้จิตเนี่ยมันได้พักก็อยู่กระลมเข้าลมออกไม่คิดอะไรไม่กังวลอะไรนะเป็นวิธีแก้ นั่นถ้าต้องการแก้กความเครียดจากการงานก็นั่งรูลง้ลมหายใจเข้าออกสบายๆคือหยุดคิดให้ได้หยุดการตรึกการตรองนในจิตไม่คิดอะไรปั๊บว่างมันจิตจะสบายทันทีออื หมายถึงพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรใช่ไหมพรพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ในเรื่องของจตุตฌานฌานที่4โยมต้องสามารถทำสมาธิไปได้ถึงฌานที่สปกติสมาธิจะมี9ระดับนะปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานจตุตฌานจตุตฌานเนี่ยฌานที่4เนี่ยนะอันเนี้ยเป็นจิตที่เรียกว่าควรแก่การงาน จะสามารถแทงตลอดซึ่งท่านเป็ น, น, นเอเนกผู้เจ้ายังอธิบายอีกว่าตัวท่านเนี่ยสามารถเอากายที่ประกอบด้วยมหาปูถุธาตุส่เนี่ยไปสู่พรหมโลกได้เทวโลกคือไปเนี่ยไม่ได้ไปทางจิตเนี่ยเอากายไปได้เลยวิธีผู้เจ้ายังบอกเนี่ยเมื่อตถาคตเนี่ยตั้งจิตไว้ในกายตั้งกายไว้ในจิตขณะนั้นตถาคตจะมีความกายเนี่ยจะเบาเป็นอย่างยิ่งนะก็จะ บอกเปรียบเหมือนปุยนุ่นเนี่ยปุยนุ่นมันก็สามารถลอยลอยไปได้นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริ์นะที่พวกฤาษีโยคีเกิดมาก่อนพูะเจ้าเขาก็ทำได้ปริพาชกก็ยังสามารถรู้เห็นตรงนี้ได้ยังมีปริพาชกบางคนมาถามพูะเจ้าว่าเขาเห็นคนที่รักษาศีลท้าเนี่ยไปเกิดแนนรก แล้วเห็นคนที่ผิดศีลห้าไปเกิดในสวรรค์เห็นนะพระเทวทัตก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดเลยก็มีฤทธิ์พระเทวทัตก็แปลงกายได้นะพระเทวทัตก็ทำฤทธิ์ได้ได้ทุกหลายอย่างพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องภูมิว้อิทธิปฏิหารสานะปฏิหารสามอย่างอิทธิปฏิหารคือการแสดงฤทธิ์ได้ หลายคนแปลงเป็นคนเดียวคนเดียวแปลงเป็นหลายคนเดินทะลุภูเขากำแพงดุจไปในอากาศว่างๆนะเดินบนในน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินนะดำลงในแผ่นดินได้เหมือนดำลงในน้ำนะลอยไปในอากาศทั้งที่ทยังนั่งสมาธิกู้บัลลังก์นะแสดงอำนาจทางกายเนี่ยไปได้จนตลอดถึงพรมโลกรูกพลําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้นะนั้นทได้หมดนะ <c oughs> ส่วน การไข้ควรวิสัยของผู้ได้ฌานเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเป็นอจินไตเป็นเรื่องที่เราจะคิดไม่ออกนะคือต้องต้องฝึกตัวเองเข้าไปทำเลยนะอาเทศนาปฏิหารสามารถที่จะกำหนดรู้จิตได้ว่าจิตเทวดาจิตพรมจิตสัตว์จิตมนุษย์กำลังคิดอะไรอยู่นะปรุงแต่งเรื่องอะไร จะมีปุเพนิวาสานุสติยานยานอย่างลวดีจุตูปปาตยานยานอย่างลวดนาคตอย่างนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ผู้เจ้าทําได้คนเดียวเยอะแยะนะแต่ก่อนก็ทําได้และหลังจากผู้เจ้าทําได้แล้วเนี่ยผู้เจ้าก็มองว่าพวกความรู้พิเศษพวกเนี่ยก็ยังไม่พ้นแก่เจ็บตายนะพรหมเทวดาก็ทําทได้แต่พรหมเทวดาก็ายังแก่เจ็บตายอยู่ดีนะก็เป็นหนึ่งใน ในภูมิความรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในโลกแค่นั้นเองนะแล้วพูะเจ้าก็จะบอกวิธีทำไว้ให้ด้วยบอกวิธีให้ระดับหนึ่งสมาธิสูงกว่านั้นก็ก็ไม่ได้นะต่ำกว่านั้นก็ไม่พอดีก็ทั้งหมดเนี่ยจะแยกจากที่จตุจักชานคือชานที่4นะพอถึงชาน4เนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าน้อมจิตไปสู่ปุเพนิวาสานุสติญาณ น, น้อมจิตไปสู่จตุป ป, ปาทยาน อย่างรู้อดีตอย่างรู้อนาคตรู้ว่าสัตว์เนี่ยไปเกิดในภพเนี่ยเป็นเพราะทํากรรมอะไรมานะเรืีตรงนี้จะเป็นหนึ่งในอาจินไตที่พรุทธเจ้าบอกว่ า, าไม่มีประโยชน์ในการเข้าไปไข้ควรนะวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกนะสี่เรื่องเนี่ยไม่ควรเข้าไปคิด จะมีส่วนแห่งความวิปลาสมันจะงงนะมันจะจินตนาการจะคิดปรุงแต่งจนวิปลาสน่ะ น, นะแต่เราสามารถทำกันได้ทั้งนั้นทุกคนถ้ามีเวลานะถ้าโยมทำสมาธิบ่อยๆแค่แค่โยมนั่งรู้ลงใจไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยแค่นี้ตัวก็เบาแล้ว จะรู้สึกเลยว่าตัวเบากายเบามากโยมบางคนที่มาที่วัดเนี่ยเขาเขาบอกเ้าเดินจงกรมเนี่ยมันเหมือนเดินลอยไปเลยเราก็เข้าใจนะเพราะเวลาจิตเป็นสมาธิขนาดขนาดเดินเนี่ยตัวมันจะเบามากมันเดินเหมือนไม่คนไม่มีน้ําหนักนะก็เลยไม่สงสัยว่าทําไมพระเจ้าบอกว่าท่านสามารถพากายเนี่ยลอยขึ้นไปได้ หรือเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งไปนั่งไปจะรู้สึกว่ากายมันไม่มีกายมันหายไปธาตุดินเนี่ยมือไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีเอ๊ะ ม, มันหายไปไหนบางทีก็สงสัยมาขยับมือเอ๊ะ ม, มือยังอยู่ฝ่าออยังอยู่อย่างเนี้ยอ่านั้นจิตมันเริ่มวางธาตุที่หยาบหยาบจากนั้นลมหายใจที่เราเนี่ยเรานั่งหายใจทีแรกมันจะหยาบมากเลยหายใจหยาบหายใจหนักนะแต่ต่อไปปุ๊บหายใจมันจะละเอียด เหมือนปุยนุ่นเหมือนกันละเอียดยิ่จนเหมือนจับไม่ได้ว่าเอ๊ะหายใจหรือไม่หายใจนออย่างเนี้ยแต่ก็ยังมีรู้สึกความกระเพื่อมอยู่นะอันนี้จิตก็จะค่อยๆค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะจนกทั้งถ้าได้สมาธิระดับอากาสานันจายจตนะก็คือรูปสัญญาเนี่ยดับจิตจะไม่เข้ามาเกาะรูปกายนะ ถ้าขนาดนั้นก็คืออายยันะของกายเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนขนาดมีฟ้ามาผ่าใกล้ๆก็ไม่ได้ยินพู้เจ้าเนี่ยเข้าสมาธิในระดับอรูปเนี่ยอยู่ในลงนาแล้วฟ้าผ่าชาวนาตายอยู่ข้างๆลงนาท่านออกจากสมาธิเสร็จท่านก็มาเดินจงกรมข้างลงนาชาวนาคนอื่นก็มาดู เห็นชาวนาคนตายแล้วเห็นผู้เจ้าเดินจงกรมก็เลยมาถามผู้เจ้าว่าอาท่านเห็นฟ้าผ่าชาวนาตายไหมบอกไม่เห็นหรอกนะได้ยินไม้บอกไม่ได้ยินบอกท่านหลับอยู่เหรอบอกไม่ได้หลับอา้าวตื่นอยู่แล้วทาไมไม่ได้ยินนะอย่างนี้แต่ท่านตื่นอยู่ในสมาธิในระดับอรูปก็ไม่ได้ยินนะ <c oughs> ตามได้ปั๊บเนี่ยส่วนที่เหลืออีก 30-40% ถึงแม้มันจะรู้ตามไม่ได้เนี่ยแต่เราก็จะประเมินว่าน่าจะเป็นจริง่ อ, อย่างนี้ ในในหน้า81อนะอันนี้เป็นธรรมะไว้เวลาใกล้สิ้นชีวิตบอกภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยกันทำกาละ นี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติสัมปชัญญะนะรอคอยการตายนั่นเองแล้วก็สอนสติปัฏฐานสี่ ตสติปัฏฐาน4เนี่ยผู้เจ้าก็ได้อธิบายด้วยการรู้ลมหายใจเขาออกยง่ายๆส่วนอีกอันนึงก็คือการมีความรู้ตัวรอบครอบการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับเหลแลดูเหลยวดูคู่แขนเหยียดแขนการทรงสังคติบาทจีวรการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุญจละปัสสวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง มีความรู้ตัวตลอดเวลาอยากอายุยืนไหมทราบเหตุแห่งความอายุยืนไหมครูเจ้าบอกเหตุแห่งการอายุยืนออบอกว่า ต้องรู้จักทําความสบายให้แก่ตนเองบ้างอันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวเองให้ลําบากมากอืมต้องทําความสบายให้บ้างนะอย่างที่สองเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายเกินหนึ่งเหมือนกันสบายเกินก็อายุสั้นอะีก แบบภิกษุในครั้งพุทธกาลอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยกินดีอยู่ดีมากเลยปรากฏว่าป่วยกันเยอะหมอชีวกก็เลยขออนุญาตผู้เจ้าเนี่ยให้สร้างเรือนไฟเพื่ออบตัวแล้วขับเอาของเสียออกจากกายนะผู้เจ้าก็อนุญาตณวันนี้ก็ยังใช้บทบัญญัตินี้อยู่คือในหลายๆวัดก็จะมีมีเลือนไฟห้องอบตัว นะเหมือนซาวน่านะได้ประโยชน์เยอนะมีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธ ก, กาลละนั้นก็ต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่างที่สามเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าให้บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนะนะนั้นถ้าโยมฉันอาหารย่อยยากเนี่ยนะการย่อยจะลำบากสิ่งตกค้างมันจะเยอะ นั้นถ้าดูทางการแพทย์อาหารที่ย่อยยากก็คือพวกเนื้อสัตว์เนี่ยจะย่อยยากนะและดูที่ผู้เจ้าสอนภิกษุเนี่ยก็จะให้ให้ฉันพวกข้าวเนี่ยประมาณ3ส่วนกับประมาณ1ส่วนก็คือมองดูน้ำหนักแล้วเนี่ยเน้นไปทางธัญพืชมากกว่าพืชผักมากกว่าประมาณ3ส่วนแล้วก็กลับในแค่ส่วนเดียว ก็แสดงว่านะพยายามให้มีอาหารที่มันย่อยง่ายเนี่ยมีปริมาณที่มากกว่านะอย่างที่สี่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เที่ยวไปในกาละที่สมควรเที่ยวไปในการที่สมควรนั้นถ้าเราเวลานอนไปเที่ยวเนี่ยนะมันก็คงจะอายุสั้นเหมือนกันนะอืร่างกายมันก็จะปรับตัวไม่ค่อยได้ ถ้าผู้เจ้าก็จะให้ให้นอนประมาณสี่ทุ่มให้ตื่นตีสองไหวไหม <Okay. S 1> หน่อยหนึ่งสี่ชั่วโมงอมนอนสี่ทุ่มตื่นตีสองบอกถ้าทำอย่างนี้จริงๆอาภาษจะน้อยนะ <c oughs> อายุจะยืน จะมีพวกพวกเขาเอาไปคิดเป็นเรื่องของนาฬิกาชีวิตอะไรนะเขาจะโยงว่าร่างกายช่วงประมาณตรงเนี้ยมันเหมาะกับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าเขาก็จะโยงมาคล้ายๆกับที่พระเจ้าบอกเหมือนกันก็คือให้ให้ตื่นแต่เช้านะนี่ถ้าเราจะเลดไปก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลองบวกบวกดูนะ ในชากรยานุโยกเนี่ยผู้เจ้าบอกให้ภิกษุเนี่ยเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีสี่ทุ่มนะตีสักหลังฉันประมาณ10บโมงเช้าก็คือเดินสลับนั่งถึงสี่ทุ่มสบสองชั่วโมงแล้วสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยนอนก็สี่ชั่วโมงตีสองถึงอรุณขึ้นอีกสี่ชั่วโมงเนี่ยให้เดินสลับนั่งมา รวมแล้วพระเนี่ยต้องทำความเพียนประมาณวันละสิบหกชั่วโมงเ <c oughs> <c oughs> ช้าก็ออกบินธบาตกบฉันทำขิดข้อวัดบินธบาตก็ตีซะหนึ่งถึงสองชั่วโมงเผื่อบินธบาต5ห้ากิโลสิบนกะิโลไกลฉันอีกหนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงเข้าไปลนะหลังฉันเสร็จก็ล้างบาดเช็ดบาดข้องน้ำห้องท่าอะไรก็สี่ชั่วโมงก็สิบโมงเชา้าลนะ ก็ใช้เวลาในช่วงสแสวงหาอาหารกบฉันทํากิจอะไรเสร็จก็สี่ชั่วโมงหลังจากกลุนสิ0โมงเช้าก็เดินสลับนั่งต่อไปเลยจนถึง4ี่ทุม่มบสอชั่วโมงฉันมื้อเดียวเดินนั่งทั้งวันนอนสี่ชั่วโมงตีสองตื่นเดินสลับนั่งมาถึงเช้า น, นี่ปลดความเพียนเต็มที่ก็คืออย่างนี้ แต่ถ้าโยมทำสมาธิมากๆนะจะรู้สึกว่ามันนอนน้อยไปเองนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นแล้วนะ <c oughs> แล้วไม่ไม่ค่อยเพลียตื่นมาแล้วจะเหมือนกับลืมตามาเฉยๆไม่ไม่งัวงเงีย อันนี้เกิเหตุให้อายุยืน4ี่อย่างแล้วใช่ไหมเหล็กอย่างหนึ่งพุทเจา้าบอกว่าให้เป็นผู้ประพฤติเพียงดั่งพรมก็คือเจริญเมตตาภาวนาให้เราเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาเนเจริญสมาธินี่คือ5เหตุปัจจัยของความอายุยืน อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยส า, สาข้อแรกจะเหมือนกันอีกนัยยะหนึ่งสข้อแรกเหมือนกันจะต่างกัน2ข้อ2ข้อท้ายจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนว่าให้เป็นผู้มีศีลดีนั้นเราก็พยายามรักษาศีนใหน้ดีแล้วอีกข้อหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือให้เป็นผู้มีมิตร ด, ดนะีอย่าคบมิตรไม่ดี มิดไม่ดีมันจะพาเราไปที่ที่ไม่ปลอดภัยสงสัยจะตายง่ายนะมันจะมีเรื่องกลับมา จะทอาหารก็เกิดอาไปนี็นยบวาจะเป็นบาปไหมเหรออ๋อแต่ผู้เจ้ารู้แต่ก็ฉันและผู้เจ้าก็บอกอีกว่า ท่านไม่เห็นใครในโลกเนี่ยจะย่อยอาหารตัวนี้ได้นะหลังจากผู้เจ้าฉันแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้เอาไปทิง้งนะเพราะท่านบอกว่าไม่มีใครย่อยตรงนี้ได้ใครฉันก็ตายนะแต่มันก็เป็นเวลาที่ครบสามเดือนพอดีที่ผู้เจ้าตั้งใจจะปรินิพานนะแล้วก็บอก <c oughs> กับสาวกไว้อีกว่าอย่า อย่าไปตำหนิคนถวายอาหารนะเพราะอาหารที่มีอนิสงส์เท่ากันสองอย่างคือหนึ่งอาหารที่ถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ที่นางสุชาดาไปถวายกับอาหารที่ถวายมื้อสุดท้ายก่อนปรินิพานันั้นจริงๆแล้วคนถวายได้อนิสงส์สูง สูงสุดเท่ากับคนถวายอาหารตอนตัดสูนะ่ก็เลยบอกเอาไว้ว่ า, าไม่ไม่ต้องไปตำหนิว่าทำให้ผู้เจ้าตายนะมันคือเหตุปัจจัยแสดงผู้เจ้าทราบแล้วว่ามันจะเป็นไปตามขั้นตอนนี้นะถ้าพูดถึงก็เหมือนกับเขาช่วยให้ผู้เจ้าไม่ต้องแบกขันต่อไปเนาะให้ผู้เจ้า เข้านิพพานแล้วก็ทิ้งขันห้าไปท่านก็ไม่ต้องมาทนแบกขันห้าลำบากไม่ต้องมาทนลำบากนะพอพลาดหันถึงพล่าดหันแล้วเนี่ยเท่ากับขันห้าเนี่ยก็เป็นของหนักนะเท่ากับว่าท่านต้องทนภาระอยู่กับของหนักเนี่ยไปจนกว่ากายจะแตกทําลาย เชิญนการทำบุญทำไมนะอ่าฮะเอ่อเรื่องได้รับจริงไม่จริงเนี่ย <c oughs> ในสิ่งที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยถ้าผู้เจ้าบัญญัติไว้เนี่ยได้แน่นอนอะไรที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยหรือไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องแท้ผู้เจ้าจะไม่พูด ถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดอีกเช่นกันนะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าทำให้สาวกเกิดความประมาทไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เลยเพื่อ น, นิพพานก็จะไม่พูดเอาไว้เฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจะต้องเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ด้วยส่วนจะทำอย่างไรเนี่ยพเจ้าก็บอกให้ตั้งเจตนาแค่นั้น ทันนี้เหตุปัจจัยของการทำจะเป็นทานก็ได้จะเป็นรักษาศีลก็ได้จะทำสมาธิก็ได้นะก็ได้ทั้งนั้นจากนั้นบุญกุศลที่เกิดจากตรงเนี้ยเราก็ตั้งเจตนาอุทิศให้กับผู้ตายผู้ล่วงลับซึ่งผู้เจ้าจะสอนไว้ในเรื่องของทิฏฐว่าให้บุตรเนี่ยทำทักษิณาอุทิศท่านนะแกบิดามารดาผู้ล่วงลับเนี่ยม แล้วก็สอนไว้ในในเรื่องของทิฏหกเมื่อท่านทําการละลงรับไปแล้วเราจะ ก, กระทําทักษิณาทิฏท่านนะบุตรปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างนี้นะ <c oughs> นั้นถ้าผู้เจ้าสอนไว้เนี่ยท่านไข้ควรละว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์วิธีเนี่ยเราก็าไปเทียบเคียงกับที่ผู้เจ้าตัดกวาเศรษฐานะีว่าให้เธอทําจิตปราศจากนิวรณ์ห ก็คือเตรียมจิตเราให้พร้อมก่อนให้หมดจากอากุศลอย่างนี้ว่าเสตถามเมื่อพิสูจน์นั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5เหล่านี้ที่ตนลักได้แล้วปลาโมดย่อมเกิดเมื่อปลาโมดเกิดปิติเกิดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบประงับผู้มีกายสงบประงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมเป็นสมาธิเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่ยอมแผ่ไปสู่ที่ที่หนึแผ่ไปตลอด ตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้น น, นี่ก็คือวิธีน่าจะใช้หลักการเดียวกันก <c oughs> ็ไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์น้ำแก้วหรืออะไรก็ไม่จำเป็น จะอานที่ผู้เจ้าอธิบายเรื่องการที่ท่านเอากายขึ้นไปได้นะพระนนบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระองค์เข้าถึงพรหมโลกด้วยพลลิตพร้อมทั้งพระกายอันสำเร็จด้วยใจและทรงทราบว่าพระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพลลิตพร้อมทั้งพระกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาแล้ว พูชเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอนลตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีมาและประกอบด้วยธรรมอันไม่เคยมีมาดูก่อนอนลสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบาวกว่าปกติอ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติและผุดพ่องกว่าปกติดูก่อนอนอนท์เปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่วันยางค่ําย่อมเบากว่าปกติอ่อนกว่าปกติควรแก่การงานกว่าปกติและผุดพ่องกว่าปกติ ดูก่อนนันนลสมัยใดตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายคนคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวแล้วก็บรรยายอีกยาวนะจนกระทั่งถึงสุดท้ายว่าใช้อำนาจทางกายไป ตลอดพรมโลกก็ได้ดูก่อนอ น, นุนเปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายซึ่งเป็นเชื้อธาตุที่เบาย่อมลอยจากผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยฉันใดก็ฉันนั้นทำสมาธิ นั่งสมาธิกันหมาไหม เสร็จแล้วก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิมาี <c oughs> ลองสักสิบกวนาทีก็เห็นไงทำได้ทุกวันทุกวันก็ดีนะ ม, มีใครจะสักถามอะไรเพิ่มเติมไหม เปลี่ยนรีบ ด, ดูเนาะเปลี่ยนเป็นเดินจงกลมมันจดจ่อจนเคยอะ่ะมันไปเพ่งเกินแล้วทีนี้ปอมันจะจะคลายมันมันคลายไม่เป็นไงจริงเราก็อยู่กับลมไม่ต้องไปสนใจท่านดินรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกก็จะมีหลายคนบางทีเป็นอย่างเนี้ยมันมันไปเพ่งอยู่ตรงนี้ ก็คือเราต้องรู้ลมสบายๆแต่ถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็คือให้เดินจงกรมมากกว่านั่งนั่งแป๊บเดียวนะพอจะเริ่มรู้สึกว่าปวดก็ไปเดินจงกรมซะอย่างเงี้ยพอเดินจงกรมก็ได้สมาธิเหมือนกันแล้วพอเดินจงกรมไปบ่อยเวลานั่งสมาธิจะสงบได้เร็วขึ้นนะอ๋อก็ดี มันไปเป้งมันไปยึดมั่นตรงนี้อย่าอย่าไปนึกอย่าไปกังวลมันถ้ากังวลปุ๊บ ม, มันจะมาเลยบางคนก็ชอบมีน้ำลายเยอะต้องคอยกืนน้ำลายก็เกิดอาการจีปาถานนะพยายามปล่อยความสนใจอย่าไปสนใจมัน ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ถูกต้องแค่เอาเดินเอาจิตอยู่กับกายเดินปกตินี่แหลนะนะเพียงแต่เดินไม่ให้คิดนะรู้อยู่กับเท้าที่ก้าวก้าวต่อก้าวอย่างนี้เหมือนเรามือลูบพื้นไปเนี่ยไม่ไม่ต้องคิดอะไรรู้สึกถึงความรู้สึกที่ลูบพื้นอย่างนี้เท้าสัมผัสพื้นแต่ละก้าวก็รู้รู้สึกนะ รู้สึกอาการที่ก้าวไปแค่นั้นนะอย่างนี้จิตอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวตลอดออย่างนี้พอขอยับไปคิดปับ๊บเราก็พยายามเอาความรู้สึกมาจาับแรกๆจะยากนิดหนึ่งมันมันติดความคิดมาตลอดนะมันมันหยุดคิดไม่ค่อยได้นะ <c oughs> แต่ลองทําไปเรื่อยๆก็จะทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะ่ะจะเริ่มทําได้ แรกๆอาจจะหยุดได้นิดนึงหรือว่าหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดินไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้มันคิดอกุศลก่อนก็ได้แล้วรู้แค่การเดินอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอะไรเรื่องงานมาทิ้งเรื่องอะไรต่ออะไรก็ทิ้งนะพยายามให้คิดน้อยที่สุดแล้วจิตจะกลับมาอยู่ที่การเดินเองนอื ได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะเวลาทําสมาธิมากๆเนี่ยร่างกายเราจะมันจะเข้าสู่ความเป็นปกติร่างกายจะปกติมากที่สุดไม่มีแรงบีบคั้นจากจิตเนี่ยเข้าไปเพราะบางทีตื่นเต้นมากก็ความดันขึ้นหัวใจเต้นแรงมันผิดปกตินะ เนี่ยมีผลต่อกายค่อนข้างมากที่เคยได้ข่าวคนหนึ่งไม่ได้ยศในพลหัวใจหดมาเหลือเต้นยี่สิบสามสิบครั้งเกือบทับช็อกไปเลยผิดหวังอย่างแรงแค่อารมณ์แค่นี้มันทำให้กายมันเป๋ไปเลยนะนั้นเราก็ห <c oughs> มั่นทำสมาธิส่วน ถ้าเราเจ็บป่วยไข้เนี่ยแล้วเราทำสมาธิเราจะรู้สึกว่าไข้มันบรรเทาลงจริงๆไงไข้มันเหมือนเดิมนะแต่ความยึดมั่นในกายเราเราลดลงนะมันก็เบาลงแล้วตอนนี้อย่างเวลาหลายๆคนเนี่ยถูกมีดบาดหรือถูกอะไรเนี่ยถ้าไปโอ้โหสนใจมันโอ้โหมันจะเจ็บมากเลยแต่ถ้าเฉยๆกันวางใจเย ๆ, ๆมันจะเบาลงไปเลยนะ แล้ก็แก้ไขปัญหาไปอย่างเนีน้มีประโยชน์มากอยู่สมาธิเนี่ยช่วยได้เยอะเลยอือฮะ ก็มันก็ไม่มีวิธีอื่นน่ะเนาะเพราะว่าวิธีที่จะพ้นนบายเนี่ยมันก็สินห้าแล้วก็ทำสมาธิอย่างไอ้สินห้านี่มันยังไม่ชัวร์เลยว่าพ้นนรกจริงมันก็จะได้ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ น, นะแต่มันยังมีหลุดไปนรกได้เหมือนกันถ้าเราไม่เคยฝึกคุมจิตเนะี่ย ฉนั้นต้องต้องฝึกคุมจิตอืฝึกทําสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าบอกคนบางคนมีศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมสังสมสุตตะไม่เคยทําสมาธิไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยไปอบายได้เหมือนกันคนศีลไม่ดีเราเห็นโอ้คนนี้เนี่ ย, ยข่าสัตว์รักทรัพย์แต่เขาเคยทําสมาธิภาวนาเนะี่ยสังสมสุตตะพุทธเจ้าบอกคนนี้เนี่ยพ้นอบายได้ น้ำหนักการทำสมาธิเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องของสินนะนั้นเราก็ดูว่าเราจะแบ่งน้ำหนักไปที่ตรงไหนก็พยายามทำสมาธิให้ให้มากแล้วเจริญด้านปัญญาให้เห็นการเกิดดับให้เห็นว่าในโลกนี่อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนหมดยิดถือไม่ได้ซึ่งถ้าโยมทำจิตแค่เนี้ยก่อนตายเนี่ยไอ้ที่โยมทำไม่ดีมาทั้งหมดเนี่ย ก็จะสามารถแก้ได้แต่มันไม่ใช่ง่ายว่าเราจะไปทําจิตตรงนี้ตอนตายได้ไอความคุ้นเคยที่ทํามาไม่ดีตลอดชีวิตเนี่ยมันจะไปคิดตอนนั้นนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะไม่ไม่ใช่ว่าคนทําไม่ดีมาค่อนชีวิตเนี่ยตอนใกล้ตายจะทําจิตให้ให้สงบไม่ได้ก็มีว่าทําได้เหมือนกันและคนที่ยังไม่สําเร็จ ก่อนตายโยมจะใช้อย่างนี้ก็ได้ใช้แบบพระผัดคุณะพระผัดคุณะเนี่ยก็ป่วยทุกทรมานมากก่อนสิ้นชีวิตผู้เจ้าก็ไปเยี่ยมบอกผัดคุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวเจ็บปวดมากนะทั้งท้องทั้งศีรษะผู้เจ้าก็บอกอาผัดคุณะตั้งใจฟังทำนะ ก็แสดงธรรมไปเสร็จก็กลับไปพระนนท์บอกพุทธผู้เจ้ากลับไปไม่นานพระผัดกุณาก็ทํากาละลงแต่เฉวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน่าไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน่าได้แล้วคือได้เป็นอนาคามีบุคคลโยมดูสีทั้งนี่ ยังมีความเจ็บปวดทุกทรมานหลายๆคนบอกว่าคนที่มีความเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยเราก่อนตายเราเจ็บปวดทุกทรมานเราคงไปไม่ดีแน่ไม่แน่พระเจ้าจึงบอกอานุ์อนิอนนสงฆ์หประการของคนที่ได้ยินได้ฟังคําศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนะมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละสามลักษณะจึงเป็นอ น, นิสงฆ์หประการในสองกลุ่มนี้พระเจ้าบอกว่า ใครที่ละสังโยชนธาไม่ได้จะละได้ส่วนกลุ่มที่2ใครละสังโยชนธาได้แล้วจะได้เป็นพระอาหารหันในสองกลุ่มนี้จะมี3มลักษณะที่เหมือนกันนะคือ1ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นําคำสัสดามาถ่ายทอด 3. ตัวเขาเนี่ยละลึกถึงบทแห่งธรรมนี้ได้เองเพราะนั้นอย่างนี้เราให้พระอ่าน หนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มนะกลุ่มทรัพย์จากพระโอด์เป็นคำพระศาสดาทั้งหมดเนี่ยลงในซีดีแผ่นนี้สองแผ่นนั้นถ้าก่อนสิ้นชีวิตยมพกซีดีแผ่นนี้ไว้ดีดีนะ เ, เสียบข้าวหูเลยเปิดฟังตลอดขอในสงตัวนี้นะรับสัญญาณ5ไดนะ้หรือถ้าไม่ยังไม่มีอีก ง่มุมหนึ่งยังไม่มีอะไรประกันได้ก็คือโยมจำพระสูตรให้ได้นังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเนี่ยโยมจำพระสูตรให้ได้ให้มากที่สุดแล้วให้คล่องปากขึ้นใจผู้เจ้าบอกอ น, นิสงส์ของคนที่จำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นยบท่องให้คล่องเลยนะสวดมดวนต์ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอ่าแล้วก็ไข้ควรเนี่ย อย่างเนี้ยที่อธิบายไปแต่ละขั้นค่ควรตามค่อควรตามดูไปเรื่อยๆแทนที่โยมจะหยิบหนังสือปิมหนังสืออะไรขึ้นมาโยมหยิบพุทธวจะนะขึ้นมาทุกครั้งใช่ไก็ค่อยควรอยู่นั่นน่ะจะได้นิสงศิประการไอ้สงศิประการทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยขาดสติเวลาตายหมดปกติเวลาคนขาดสติเวลาตายเนี่ยจะไปอบายนะแต่ถ้าใครมีเหตุปัจจัยตรงนี้คือคล่องในคาพระพุทธเจ้าเนี่ย เขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้ง4ี่กลุ่มเลยขาดสติหลงลืมทําการล้ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดานะทั้ง4ี่พวกพวกแรกเนี่ย <c oughs> จะไประลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะขณะที่เขาเพลิดเพลินในภพของเทวดาเนี่ยอยูย่ๆเนี่ยบทแห่งธรรมที่เขาเคยทรงจําไว้ได้อย่างคล่องปากขึ้นใจมันจะระลึกขึ้นมาได้ผู้เจ้าบอกสติเกิดขึ้นช้าก็าจริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเขาจะไข้คุณเนะี่ยแล้วก็บรรลุธรรมเลย อย่างที่สองพรนะพุทธเจ้าบอกว่าเขาเนี่ยระลึกเองไม่ได้ขณะที่เพลิดเพลินในภพของเทวดาเนี่ยก็เกิดไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทธนะก็สามารถบรรลุธรรมได้นะพวกที่สเนี่ยก็เพลิดเพลินในภพของเทวดาเหมือนกันแต่บังเอิญไปได้ยินพวกเทพบริษัทธเนี่ยแสดงธรรมแก่เทพบริสัทธด้วยกันเองก็ระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ก็จะบรรลุธรรม ข้อที่4ก็คือเทพบริษัทผู้เกิดก่อนเนี่ยมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะว่าจําได้ไ้ยชาตินั้นชาตินี้เนี่ยเคยนะที่ NEC นั่งฟังธรรมะด้วยกันนะคนนั้นระลึกได้นะก็จะบรรลุ ธ, ธรรมนะคุณเจ้าอุปมาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษจากกันไปนานและแต่ก่อนเนี่ยเคยเล่นซัดฝุ่นด้วยกันนะและพอจากกันไปนานแล้วก็มา เจอกันอีกทีก็มาถามถ่ายว่าเออเป็นไงสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเคยเล่นอย่างโน้อย่างนี้ด้วยกันนะตรงค้ะก็ร ะ, ะลึกได้นี่พอไปเกิดเป็นภพเทวดาก็มาระลึกได้จำได้ไหมมนุษย์เคยปฏิบัติธรรมกันในชาตินั้นชาตินี้อย่างเงี้ยพอเขาระลึกได้ก็เลยบรรลุธรรมนี่คืออ น, นิสงส์สี่ประการไม่ได้พูดถึงความเป็นอริยบุคคลเลยนะ นี่ก็นี่คือเหตุปัจจัยสองอย่างหนึ่งยมจำคำผู้เจ้าให้ได้ให้คล่องปากขึ้นใจและทางตลอดอย่างดีด้วยความเป็นอย่างที่สองไม้สุดท้ายคือเอาไปฟังก่อนตายให้ได้ได้อ่า <c oughs> <c oughs> อ่าอืม ไปไดีใช่ไหมก็ดูอย่างนี้อย่างหนึ่งท่านท่านตายด้วยความสงบไหมนะถ้ามีธรรมะก่อนตายไหมมีมีใครไปให้ธรรมะอะไรก่อนสิ้นชีวิตไหมไม่มีเหรออันนี้ก็อยากเคยปฏิบัติธรรมบ้างไหมไม่เคยเลยก็ก็เป็นโอกาสที่ยากเหมือนกันนะนั้นถ้าถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็คือพยายามทําบุญอุทิศให้ท่านบ่อยๆ นะว่าอย่างนางพระมณีคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> เขาทําบุญให้ญาติผู้ล่วงลับเนี่ยแล้วญาติเขาจะได้ไหมนั้นในลักษณะของการทําบุญเนี่ยอย่างน้อยทําทานเนี่ยขอให้มีมีผู้รับนะแต่ถ้าผู้รับเป็นอริบุคคลหรือว่าเป็นผู้มีสินก็นจะได้ในส่งมาแต่นางพระมณีเนี่ยก็ไปตั้ง นะเหมือนเราไปตั้งจุดทูบกลางแจ้งตั้งน้ําตั้งอาหารไว้ยังไงอันนี้คือฐานไม่มีผู้รับอันนี้จะสําเร็จประโยชน์แก่เปรตอย่างเดียวนผะู้จา้ากเขบอกเทวดามีอาหารของเทวดามนุษย์มีอาหารของมนุษย์เดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานสันนลกมีอาหารของสันนลกฐานนี้ไม่ได้แต่จะได้กับเปรตนะแล้วเขาบอกว่าถ้าญาติของเขาไม่ไปเป็นเปรต ล, ละ่ะก็บอกว่าญาติเราอื่น ของเธอก็จะได้บอกถ้าญาติเขาไม่เป็นเปรตญาติเหล่าอื่นของเขาไม่เป็นเปรตใครจะได้พระุทธเจ้าบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอแม้สักคนที่ไม่ลงเหลือเป็นเปรตเนี่ยไม่มีเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นั้นจะมีญาติของเราสักคนหนึ่งตอนนี้แน่ๆหนอนที่ยังเป็นเปรตอยู่ของทุกคนเลยเพราะสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลมากนะเปรตก็อายุยืนเหมือนกัน นั้นเราตายไปก็ยังเจอกันนะอันนี้ก็ต้องต้องทำบุญอุทิศให้ท่านดีเรานั่งสมาธินะโยมนั่งสมาธิรักษาสินนะาจะ ต, ต, ต, ต, ตั้งเจตนาแต่เมตตาทิดบุญบุญส่วนในก็ตั้งเจตนาระลึกถึงก็ได้นะ <c oughs> อืม <c oughs> อ๋อไม่ไม่เคียวหรอกอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดีนะเจตนาเป็นตัวกรรมนะก็ตรงนี้เราก็แก้ด้วยอย่างเนี้ยเราก็ให้แผ่เมตตาให้เขาละกันนะทำบุญอุทติศให้เขาบ่อยๆนะน่าจะดีขึ้น คำถามเนาะสำหรับปันนี้ก็คงในเวลาก็ขอโนโมนากับพวกเรานะที่ได้มาตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมะนะฟังธรรมตามการตามโอกาสอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราได้บรรลุธรรมได้ในที่สุดนะก็ขอให้เป็นเหตุให้พวกเรามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดฟังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดแล้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมากผลนิพพานในนาคตการัในใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเติอน